ลำดับนั้นท่านผู้มีอายุเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าจนถึงที่ประทับครั้นแล้วถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วท่านพระสารีบุตรก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานท้าวโรกาสท่านพระเรวัตตาท่านพระอนนท์เข้าไปหาข้าพระองค์ทิ้งที่อยู่เพื่อฟังธรรมข้าพระองค์ได้เห็นท่านพระเรวัตตาและท่านพระอนนท์กําลังเดินมาแต่ที่ไกล คันแล้วก็กล่าวกับท่านท่านนว่าท่านอ น, นจงมาเถิดท่านอ น, นผู้เป็นอุปถัคของพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านท่านอนผู้อยู่ใกล้ชิดพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านมาดีแล้วเนี่ยนะโอ้ดีแล้วที่นายมาวังนั้นเน่ยเชิญมาเถินิมนิมนตเนี่ย น, น, น, น, นะเราพูดแบบสมัยนี้ว่านิมนครับนิมนอะ ง, งี้ยแล้วภาษาริบุตรก็กล่าวว่า ท่านอานุนป่าโคสิงข้าสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจ่างไม้สาลามีดอกออกบานสับรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายทิพห้อมฟุ้งไปท่านอานุนป่าโคสิงข้าสารวันจะพึงงามด้วยพิสุเห็นป่านไรภาษารีบรก็เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังต่อไปว่าเมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอนุน์ก็ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบร ภิกษุในศาสนานี้เป็นพระหูสูตรเป็นผู้ทรงสุตะสั่งสมสุตธะทมเหล่าใดงามในเบื้องต้นงามในถามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะเห็นปานนั้นอันภิกษุนั้นสดับมากแล้วทรงไว้มากแล้วสั่งสมด้วยวาจาตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิ ภิกษุนั้นแสดงธรรมแก่บริษัททั้งสีด้วยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายเพื่อถอนเสียซึ่งอนุัยท่านสารีบทปากโคสินงฆาสารวันงามด้วยภิกษุเห็นป่านนี้อันนี้เป็นคำที่พระอนุนบอกเล่าให้พระสารีบทฟังซึ่งพระสารีบุทก็มากราบทูลถวายเล่าให้พระพุทธเจ้าฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าก็อนุโมทนากับพระอนุนว่าสาธุสาธุสารีบท อนุโมทนากับพระอนุนแต่กําลังพูดกับพระสารีบุตรนะสาธุดีละดีละสารีบุตรเนี่ยนะอนุนเนี่ยเมื่อจะพยากรณ์ตอบคําตอบอย่างถูกต้องพึงตอบตามนั้นแลนะตอบอย่างถูกต้องตามมติของท่านเลยแล้วก็ไม่ผิดด้วยนะก็ถูกต้องอะ่ะเพราะอะไรเพราะท่านพระอนุนเนี่ยเป็นพหูสูตรท่านพระอ น, นุ์เนี่ยเป็นผู้ที่สั่งสมผู้ทรงสุตะพระอ น, นุ์เป็นผู้สั่งสมสุตะ มันทมเหล่าใดไม่ว่าจะงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดพร้อมทั้งอาาัฏฐพยันชนะประกาศพรหมจรรย์บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงธรรมะทั้งหมดเหล่านั้นพระอนนท์เนี่ยสดับมามากส่งไว้มากสั่งสมด้วยวาจาตามเพ่งด้วยใจแทงตลอดด้วยดีด้วยทิฏฐิเพราะฉะนั้นพระอนนท์สามารถจะแสดงธรรมแก่บริษัททั้งสี่ พร้อมด้วยบทและพยัญชนะอันราบเรียบไม่ขาดสายเพื่อถอนเสียซึ่งอนุสัยเพราะนั้นลักษณะการแสดงธรรมของพระอนุนนั้นแสดงธรรมแบบปรารถนาให้เขาอะดับทุกแสดงธรรมเพื่อปรารถนาให้เขาพ้นจากทุกเนี่ยนะแต่สังเกตดูว่าไม่ใช่พระนอนนแสดงธรรมโชว์มาอ้ท่านจําอะไรได้ยอะแยกไปหมดแล้วก็เลยเอามาฟุง้งไม่ใช่แบบนั้นแต่ตรงกันข้ามท่านแสดงธรรมเพื่อให้เขา แทงตลอดอรยิยสัจจะได้ละสมุทัยเพราะอะไรเพราะแทงตลอดอรยิยสัจด้วยโสดาปติมมัคเนี่ยนะกำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญโสดาปติมมัคบริบูรณ์กําจัดทิฏฐานุสัยกับวิจิกิจฉานิสัยถ้าแทงตลอดอรยิยสัจกําหนดรอบรู้กองทุกละสมุทยัยทํานิโรธให้แจ้งเจริญอนาคาหมมัคละกามราคานุสัยและปฏิคานุสัย ถ้ากำหนดรู้ทุกละสมุทยัยทำให้นิโรธให้แจ้งเจริญอรหัตตมรรคก็ละภวะราคานุสัยมานานุสัยและอวิชานุสเนี่ยนะเพราะนั้นเป็นการแสดงธรรมที่ถูกต้องเป็นไปตามคำสอนซึ่งพระพุทธเจ้าก็อนุโมทนาวาสาทุสาธุเพราะคุณสมบัติเหล่านั้นมีพรั่งพร้อมบริบูรณ์ในท่านพระอน์นัตกถาหน้า48ย่อหน้าข้างล่าง บอว่าสาธุสาธุสาริปุตะสาธุการนี้พระพุทธเจ้าประทานอนุโมทนากับพระอานนท์นะนะพระท่านอานนท์ที่ตอบปัญหานี่เขาบอว่าตอบตามอัธยาศัยจริงอยู่พระอานนท์เถระเป็นพหูสูตรด้วยตนเองตนเองนี่เป็นผู้เรียนรู้มากอัธยาศัยของท่านแนวความคิดของพระอานนท์เนี่ยนะแนวความคิดพื้นฐานความคิดของพระอานนท์ท่านอนน์คิดอยู่เสมออย่างนี้ว่า โอ้หนอเพื่อนพรหมจันทร์ในาศาสนาของเราเนี่ยนะพ่งเป็นพหูสูตดังนี้ขอให้ทุกคนเป็นพหูสูรขอให้ทุกคนเนี่ยเป็นผู้เรียนรู้มากขอให้ทุกคนเป็นผู้สั่งสมสุตะทรงไว้ซึ่งสุตตะเนี่ยนะทรงจำธรรมะไว้ให้คล่องปากขึ้นใจพร้อมแทงตลอดด้วยความเห็นแล้วก็ทรงจำธรรมะที่งดงามไพเราะทั้งเบื้องต้นท่ามกลางเละที่สุดเป็นต้นเพราะอะไร ทำไมพระนนจึงคิดปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นพระหูสูตรเล่าทำไมจึงคิดปรารถนาให้ผู้อื่นได้ยินได้ฟังทรงจำคำสอนด้วยเล่าตอบว่าเพราะเพราะสิ่งที่ควรหรือไม่ควรเนี่ยนะเอาคนที่เป็นพระหูสูตรรู้ไหมว่าอะไรควรไม่ควรโดยสุตตะที่ฟังมามากเรียนไวมากจะทำให้รู้ว่าอันนี้สมควรหรือไม่สมควรสิ่งนี้มีโทษหรือไม่มีโทษสิ่งนี้เป็นโทษหมหนักหรือโทษเบา ถ้าเรียนมาเป็นอย่างดีรู้แล้วว่า น, นี่เป็นโทษหนักหรือโทษเบานี้แก้ไขได้หรือแก้ไขไม่ได้เพราะผู้ที่เป็นผูสูตรสามารถที่จะพิจารณาพุทธพจน์ที่ตนมาเรียนแล้วคิดอย่างนี้ว่าพุทธพจน์บทนี้เป็นศีลศีลพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ตรงนี้ อ่ะนะสมาธิพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วในที่นี้ตรงนี้วิปัสนาพระพุทธเจ้าแสดงไว้แล้วตรัสไว้แล้วตรงนี้ในที่นี้มักผลนิพพานพระองค์กล่าวไว้แล้วในที่นี้ตรงนี้ฉันเมื่อเรียนรู้ว่าศีลอยู่ตรงไหนสมาธิวิปัสนามักผลเป็นอย่างไรก็จะบำเพ็ญศีลตรงพุทธพจน์ที่มาโดยศีลจะบำเพ็ญสมาธิในพุทธพจน์ที่มาโดยสมาธิหรือสามารถจะเจริญวิปัสนาให้วิปัสนาถึงห้อง จเจริญภัยบูร์บริบูรณ์ในขณะแห่งวิปัสนาเจริญมักกระทำให้แจ้งซึ่งอารยผลทั้งหลายฉะนั้นเป็นอัธยาศัยของพระอานนทเถระอย่างนี้ท่านจึงมีอัธยาศัยเผื่อแผ่แก่คนอื่นอย่างนี้ว่าโอ้หนอเพื่อนพรหมจันทร์ของเราพึงเรียนนิ่งหนึ่งนิกายสองนิกายสมนิกาย4นิกายหนิกา ย, ากายขอให้สรงพระไตรปิฎกเพลเล่มสองเล่มห้าเล่มสิบเล่มนะเนี่ยนะก็ขอให้ทรงพระไตรปิฎกการทุกข์ในเลย ก็เบอกเอางี้ก็แล้วกันเอาแผ่นพระไตรปิฎกไปก่อนแล้วกันอย่างนั้นเอาเล่มพระไตรปิฎกติดตามว่างก็อ่านนะบอกมันไม่ว่างทำตัวให้ว่างบ้างซิเนี่ยบอกทําไม่ว่างจะอ่านโอ้ยเนาะน่าสงสารเหลือเกินเนาะหมดชาติแล้วละว่างงั้น มันก็ต้องพยายามที่จะแบ่งสรรคัดสรรเวลาใ ห, ให้ได้อยู่กับคำสอนให้ได้อ่านคำสอนทรงจำคำสอนแต่ไม่ได้อะไรเนี่ยหนังสือสรรเสริญพระรัตนตรัยก็มีตั้งหลายสูตระนะแต่ได้เล่ม น, นี้ไปก่อนอา้าสูตรอื่นๆเข้ามาอีกเยอะแยะเลยนะนะมันผู้ที่เรียนรู้มากจะพิจารณาจะบำเพ็ญศีลสมาธิวิปัสนาอภิญญามรรคผลมันเขาก็จะทาให้แจ้งมรรคผลนิพพานโดยลาดับเพราะผู้ที่ คือเรียนรู้มากขนาดนี้ไม่บรร ล, ลุมรรคผลมันก็ถือว่าสาหัสเลยใช่ไหมบางคนเอา้าคนนั้นก็เรียนไม่เห็นปฏิบัติคนนี้ก็เรียนไม่เห็นปฏิบัติมันก็เลยพูดกเกลียดพวกนักเรียนเราก็ต้องบอกกับเขานี่นีขณะดเขาเรียนขนาดนี้เขายังเล็วไหลขนาดนี้ถ้าไม่เรียนจะขนาดไหน อ่านพระตรัยวิโดกนะั้นยังทําตัวเละเทะขนาดนี้ถ้าไม่อ่านจะขนาดไหนเนี่ยนะการว่าฟังธรรมนะั้ยังหงุดหงิดขนาดนี้ถ้าไม่ฟังจะขนาดไหนเนี่ยนะนี่ขนาดฟังธรรมน่ะอกุศลจิตเกิดขนาดนี้ว่างั้นถ้าไม่ฟังเลยอกุศลจิตรุนรุนเนี่ยนะผมมาก็เลยไม่ค่อยคิดหนักมาก น, านะคิดเบาวๆว่าขออยากให้เขาบาปบริสุทธิ์มีบุญแทกแซรกมั่งก็พอใจแล้วเนี่ยนะเอาทําไมคนนี้เรียนมาขนาดนี้จึงเป็นอย่างนี้คนนั้นเรียนมากขนาดนั้นจึงเป็นอย่างนั้นก่อนหน้านั้นเขาหนักกับนั้นอีเนี่ยนะแต่เราไม่เคยเห็นขนาดนั้น นั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลสลับสลับล บ, บั้งกระช่างเถอะเนี่ยนะใช่ไหมปกติก็อดอยากหอยหิวจะมีอิ่มสักมือสองมือบ้างก็ยังดีดีกว่าอิ่งอะไรนะอดอยากหอยหิวตลอดไปบ่างั้นจะพูดแบบในแพทยท่านหนึ่งก็บอกว่าเออเนี่ยเขาปวดมาตลอดท่านได้พาราสักเม็ดสองเม็ดบรรเทาปวดสักหน่อยก็ยังดีเนี่ยนะแล้วก็ปวดต่อไปก็ไม่เป็นไรขอให้ได้มีโอกาสหายปวดกับเขาบ้างเถอะเนี่ยนะชั้นใด บุตรศึกษาพระธรรมก็ให้กุศลจิตมีโอกาสเกิดในใจบ้างเธอเปิดโอกาสให้กุศลจิตบ้างเธอเผื่อจะเป็นบุญเป็นวาสนาะเป็นอุปนิสยัยเป็นอัธยาศัยอีกสักกับสองกับหรือแสนกับข้างหน้าก็รอได้ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะปกติมันอยู่ยิ่งกว่าแสนกับอยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะสั้นลงเหลือสักแสนกับจะเหลือลงอีกสักสี่ห้ามืนกับก็ไม่เห็นเป็นไรเนี่ยนะบางท่านก็บอกว่าโอ้ยจะอีกแสนอีกอะไรนะัอีกสักสองสามอสงไขยแล้วบรรลุก็ ก็ยังไม่สายเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะสังสารวัตรมันจบสิ้นเป็นที่ไหนล่ะเนี่ยนะก็ขอให้อะไรนะสังสมบุญสังสมวาสนาสังสมอุปนิสยัยอัธยาศัยไปเถอะเนี่ยนะมันบุคคลทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้ฟังธรรมได้เรียนพระธรรมได้แนะนําพระธรรมแล้วตัวเองก็มีจิตใจที่จะศึกษาแล้วก็เล่าเรียนบอกกล่าวแนะนําสั่งสอนบอกสอนให้ผู้อื่นได้เรียนรู้ได้เจริญตามไปด้วยเนี่ยนะ พนอันนี้เป็นความเห็นของพระอนุลซึ่งพระพุทธเจ้าว่าโนโมธนาภาสาทุสาธุสาธุที่มาดูพระเรวัตะบังเนี่ยนะภาษาริบุตรกราบทูลเรื่องให้พระพุทธเจ้าทราบว่าในหน้าสามสิบข้อสามรอยเจ็สิบเจ็ดข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อท่านพระอนุ์กล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ได้กล่าวกับท่านพระเรวัตตว่าท่านเรวัตะ ปฏิภานตามที่เป็นของตนท่านพระอนุพยกรณแล้วบัดนี้เราขอถามท่านเรวตะในข้อนั้นว่าป่าโคสิงค่าสาะวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีเจมกระจากไม้สาละมีดอกบานสะพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายกลิ่นทิพย์หอมฟุ้งไปท่านพระเรวตะป่าโคสิงค่าสาะวันจะพึ่งงามด้วยพิสูจเห็นปานไร เมื่อข้าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระเรวัตตาได้ตอบข้าพระองค์ว่าท่านสารีบทภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีความหลีกเล้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีกเล้นประกอบเนืองๆซึ่งเจโตสมถะอันเป็นภายในมีฌานไม่เหินห่างประกอบด้วยวิปัสสนาพอกพูนสุญญาคาันท่านสารีบทปาโคสินฆาสารวันเจพึงงามด้วยภิกษุเห็นปานนี้แล พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสว่าสาธุสาธุเนี่ยนะก็อนุโมทนากับพระเรวตะว่าพระเรวตะคิดถูกต้องแล้วสารีบุตรเรวตะเมื่อจะพยากรโดยชอบพึงพยากรตามนั้นเพราะพระเรวตะเป็นผู้มีความหลีเกเร้นเป็นที่มายินดียินดีแล้วในความหลีเกเร้นพระเรวตะประกอบเนืองเนืองซึ่งเจโตสมถะอันเป็นภายในมีฌานไม่เหินห่างประกอบด้วยวิปัสนาพอกพูนอยู่ใน ศูนย์ยาขานอันนี้เป็นเป็นข้อปฏิบัติของพระเรวตะใช่ไหมมั้นอัตถกาหน้าสิบสิบเก้ายอนหน้ากล่าวว่าจริงอยู่ท่านพระเรวตานี้พอใจในฌานคือทั้งฌานที่เป็นสมถะและวิปัสสนาเนี่ยนะยินดีแล้วในฌานเพราะฉะนั้นพระเรวตะจึงมีความคิดเห็นอย่างนี้ว่าโอ้หนอเพื่อนพรหมจันยร์ของเราพึงนั่งแต่เพียงผู้เดียวนะ เพราะอะไรเพราะนั่งสองคนนมันยากใช่ไหมที่จะคิดถึงคำสอนเนี่ยนะไม่แน่นะสำหรับบางท่านแต่ว่าไม่มากไม่กี่คู่รักที่นั่งอยู่ด้วยกันสองคนขึ้นไปแล้วสนธนาธรรมนะไม่มากจริงๆ เพราะฉะนั้นก็นั่งแต่ผู้เดียวแล้วก็ทำกระสินบริกรรมยังสมาบัติแต่ให้เกิดขึ้นเจริญวิปัสสนามีฌานเป็นปทัฏฐานเป็นเหตุใกล้หมายคำว่าออกจากฌานพิจารณาปฐมฌานทุติยฌานเป็นต้นด้วยอนุปัสนาเจ็ก็ทําให้แจ้งโลกุตระธรรมเพราะฉะนั้นพวกนี้คือว่าเป็นพวกลูกสอนที่หลุดออกจากแล้งออกไปอย่างรวดเร็วเนี่ยนะเป็นลูกศอนที่กลมกล่าวเกลี้ยง เพราะฉะนั้นลูกศรเหล่านี้ก็ยิงได้ไวยิงได้ไกลแล้วก็ยิงได้แม่นฉันใดผู้ที่เพียบพร้อมด้วยสมถาและวิปัสสนาก็สามารถเจาะแทงทำลายบาปอากุศรลธรรมได้อย่างรวดเร็วฉันนั้นทีนี้พระพุทธเจ้ า, เาก็อนุโมทนากับพระรวตะแล้วเนี่ยนะนะ หลังจากนั้นพระสารีบุตรก็กราบทูลแด่พระพุทธเจ้าในข้อสามอ็สิบแปดต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อท่านพระเรวตะกล่าวอย่างนี้แล้วข้าพระองค์ก็ได้กล่าวกับท่านพระอนุรุทธะว่าท่านอนุรุทธะปฏิพานตามที่เป็นของตนท่านพระเรวตะพยากร์แล้วบัดนี้เราขอถามท่านพระอนุรุทธะในข้อนั้นว่า ป่าโคสิงคฆาสารวันเป็นสถานที่น่ารื่นรมราตรีแจ่มกระจังไม้สาละมีดอกบานสพรั่งทั่วต้นกลิ่นคล้ายทิพย่อมหอมฟุ้งไปท่านอนุรุทธะป่าโคสิงคฆาสารวันจะพึงงามด้วยพิสุเห็นปานไรเมื่อข่าพระองค์กล่าวอย่างนี้แล้วพระอนุรุทธะก็ตอบข่าพระองค์ว่าท่านสารีบุตร ภิกษุในศาสนานี้ย่อมตรวจดูโล ก, กธาตุพันหนึ่งด้วยที่พยจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจากสุขขึ้นปราศาทอัน ง, งดงามชั้นบนพึงเลดูมนทนแห่งกงได้ตั้งพันชันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนการย่อมตรวจดูโลกพันหนึ่งด้วยที่ประจักสุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุของมนุษย์ท่านสารีบุตรป่าโคสิงค์าสารวันพึงงามด้วยภิกษุ เห็นปานนี้แหละ